คือในวัดของเราหมูป่า่ะล้นวัดมางั้นแหละดังแต่สร้างวัดมาแต่ตามให้จริงหมูป่าถ้าจะเปรียบเทียบกับคนอเมริกันก็เหมือนกับอินเดียนแดงมางั้นแหละเพราะมันอยู่ก่อนอพวกเรามาอาศัยแต่เราก็แย่งที่เขาอยู่มางั้นเลยจะว่าเขาจะว่าเป็นของของเราก็ไม่ได้ที่นีอ สรุปแล้วก็คือมีเรามีอํานาจกว่าเขาเลยจะให้ย้ายย้ายสมโูครัวเขา้าหนีออกจากที่ของเราเหมือนกนเะไม่ย้ายก็ไม่ได้ใช่ไหพราะมันมีแต่อาวุธทั้งหมดเหมงันกันเถอะไอ้หมูป่ามีแต่เขี้ยวคงค้งหมูหมาของเราอาชียนเชียนจะตายเพราะมันปีที่แล้วเนี่ยปีเนี้ยมันเริ่มแข็งข้อขึ้นเรื่อยๆมันหิวอาหารมันเดินเข้ามาหาคนเรื่อยๆจะกระโดดเสกคนอีกต่างหากเห็นจุจะกระโดดเสกพ้าอีกต่างหากโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ต้องย้ายสมนุนโควนี้แล้วเนี่ยน่ะสาเหตุเพระก็พูดหนาหูขึ้นเรื่อยๆมั้ไม่ได้แล้วหลวงพ่อดูๆแล้วมันจะสู้พระนะเดี๋ยวเดี๋ยวกันจะกระโดดใส่พระอีกต่างหากพระตรงเผ่นว่างั้นเอนไม่เผ่นได้ยังไงเพราะมันเขี้ยวงอกทั้งสองข้างเนียขาวโพลนไปหมดเหมือนันเอถอะถ้ามันจุดเข้ามากันไม่รู้อะไรจะขาดเหมือนนเถอะเพราะนั้นต้องระวังเรื่องหมูป่าแต่ถ้าจะว่าไปแล้วมันเป็นสัตว์ตั้งเดิม ไม่ใช่หมูป่าเอามาเพาะมาเลี้ยงไม่ใช่ว่าหมูป่ามันเราเอามาจากที่อื่นเรามาปล่อยไม่ใช่สมัยก่อนที่หลวงพ่อมาอยู่ขยายเนื้อที่วัดออกไปทีละน้อยละน้อยแต่ตามไม่จริงพันกว่าไร่เนี่ยไม่ใช่เอาทีเดียวนะทีแรกก็ได้เพียงสามสิบห้าไร่เองจากท่านก็คนนั้นขายบ้างสมัยนั้นก็ขายถูกาขายไร่ละ สี่ห้าสิบาทก็มีร้อยบาทก็มีหนึ่งไร่นะเจออถึงสองร้อยบาทนะที่ญาติโยมมาจังหันอย่างนี้นะ่ะจากบ้านผือบ้างจากที่ไหนบงังเขาจะขายที่เอ้าซื้อออืให้วัดเขาพอมีเงินเหมือนกันนะผู้พอมีเงินก็ซื้อถาวายวัดเราก็หลวงพ่อก็รับไม่อัดเหมือนกันนะเพื่อจะขายายที่วัดอแต่ป่าไม้ได้ยินป่าไม้ก็คงจะขวางหูแนละ้วทําไม่ไปซื้อซื้อทําไม ซื้อป่าสังวนมันผิดกฎหมายคงจะว่ายอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็ให้เหตุผลวา่าอันนี้มันซื้อสิทธิ์ของเขาไม่ใช่ซื้อดินไม่ใช่ซื้อป่าถ้าว่าป่าไม้เก่งจริงเอาไปทออไปแถวนี้เป็นป่าสังวนทั้งหมดไล่เขาออกสิใครจะเป็นคนไล่ลรอถ้าใครจะไล่ต้องใส่เสื้อกอดหลวงพ่อว่านะเดี๋ยวปืนลูกซองเขา หลวงพ่อพูดติดตลกไปงั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเนีซื้อ ส, สิทธ์ของเขาพอซื้อแล้วเขาหนีเี่ยพ่อซื้อแล้วเขาหนีเนเอยมันก็ได้ผลนี่ว่ะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเลยขยายออกไปเรื่อยๆคนนั้นบางคนนี้บางผลที่สุดก็ได้พันกว่าไร่เนี่ยแต่พันกว่าไ ร, ทาไร่ทำยังไงทํารั่วขณะที่ทํารั่วเนี่ยนี่แหละหมูก็อยู่ในนี่แหละท่านี่หมูป่ามันพื้นเพลมันอยู่ที่นี่หละมันที่แหลมก็ไม่มากมันก็ออกไปกินมันก็บังบางทีชาวบ้านก็ก็ตอว่าหลวงพ่อบงัง หมูหลวงพ่อทำให้หลวงพ่อไม่จ่ายค่ามันให้เ อ, อพวกเราพอมันมากินมันกินขา้าวโพดพวกพวกผมเนี่ยเขาว่าอหลวงพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมูหลวงพ่ อ, ม อ, อหมูหลวงหมูงรัฐบาลหมูหลวง อ, อถ้าหลวงพ่อไปฆ่าหลวงพ่อก็ผิดกฎหมายชูเจ้าฆ่าชู้เจ้กาก็ผิดกฎหมายเหมือนกันเพราะนั้นเป็นหมูหลวงอแต่ทํายังไงถ้าถ้าชุเจ้าอยากจะได้เงินก็ไปเอากระหลวงแล้วอ่ะไปเอากระนายอำเภอแล้วอ่ะ อค่าสินไหมของหมูผมหมูไปกินข้าวโพดสู้เจ้าเพราะนั้นไม่พูดกันนะวะจากนั้นเขาก็มันออกไปเขาก็ยิงบ้างมันก็ไม่มากเท่าไหร่สมัยนั้นเพราะว่ามันคล้ายๆกับมันออกไปเจ้าบ้านก็ล่ามันบ้างแต่เข้ามาในวัดเข้ามาล่าไม่ได้เพราะาอยู่ในเขตวัดหลวงพ่อจะปกป้องหลวงพ่อก็ว่าเอ้ยถ้าว่าแกอยู่ในวัดน่ะหลวงพ่อก็ปกป้องสู้ได้สู้เจ้านะะ แต่ว่าสูตเจ้าออกไปกินข้าวโพดกินมันกินอะไรของชาวบ้านน่ะนะแสดงสูเจ้าเป็นโจรเป็นขโมยไปกินของเขาข่าก็ปกป้องไม่ได้ปกป้องขโมยไม่ได้นะวะทางว่าสูตเจ้าเข้ามาในวัดของหลวงพอ่อหลวงพ่อก็จะปกป้องแต่เดี๋ยมันก็ออกไปก็โดนเขาฆ่าเขาเยิงบงังสรุปแล้วก็คือมันลคล้ายๆๆก็มันสมดุลกันวะกันเถอะ แต่ให้หมดมันก็ไม่หมดจะให้มากมันก็ไม่มากแต่ต่อมาต่อมาอีกชาวบ้านก็เลือเกินเลยพอหมูมันราคามันก็แพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเอเนื้อหมูป่าใครๆก็ต้องการพอยิงหมูป่าเจ็บแล้วบุกเข้ามากระทั่งในวัดทะเลาะกับพระอีกก็ไม่รู้กี่หนเหมือนกันโอ้ตายหลวงพ่อกันหนักใหญ่หมูประชากรหมูกัหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆอีกทีหนึ่มันก็ฉลาดขึ้นอีกมันอยู่ใกล้คน คนที่สุดลงตามหาบัวท่านก็เลยท่านก็คงจะเห็นเออเราก็ไม่ได้บอกท่านนะแต่ท่านก็มาวัดมาดูดูดูหลายครั้งต่อหลายหนทั้งวันเออมาไม่เจอหลวงพอ่อเอ๊ะทำอินอยู่ไหมไม่อยู่ออืมันไปไหนไปพอมาอีกทําอินอยู่ไหมอ่ะไม่อยู่อ้าวทาอินมันจะยังไปออกนอกวัดบ่อยนักเลยเออเป็นนักธุรกิจนักธุรการเดินแล้วนะพี่ทำอินนี่นาะท่า น, นขู่ว่ากัน หลวงพ่อก็เลยรียบเข้าไปหาท่านคงมีอะไรมา้างวะพอเข้าไปท่านก็นบอกว่าเนี่ยเราไปดูแล้วนะวัดของท่าน่ะท่านจะทําให้กําแพงเราก็สุดแท้แต่พ่อแม่ครูอานารย์ก็ผมอ่ะคือเราแต่เรื่องศาลาเรื่องโบสถ์เรื่องวิหารเราไม่เสริมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วมัน เกี่ยวกับการสถานที่ทวัสสถานที่คู่คนมากสร้างโบสถ์วิหารอะไรมันก็มันก็ถูกแต่อยู่ในป่าโรงพงไพรถ้าไปหาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรขึ้นมาหรูหราโออ่าเราไม่เห็นด้วยไปสร้างไว้ขึ้นมาแล้วไปขังพระเจ้าใหญ่อยู่ที่นั่นขังพระพุทธรูปใหญ่อยู่ในนั่นนานทีปีหนึ่งก็มัน้วดได้ทําสังคกรรมกี่ครั้ง เราว่าไม่เกิดประโยชน์แต่ทำกำแพงเนี่ยเราว่าเกิดประโยชน์นะอเพราะว่ามันกันได้หลายอย่างอันดับแรกก็คือคนชาวบ้านเนี่ยเรื่องฆ่าสัตว์ท่านบ้านนะเ อ, อเขาจะบุกลุกฆ่าสัตว์เหมือนกันเหมือนกับมีคนไปพูดให้ท่านฟังแล้วงั้นเลยนะอันดับแรกก็คือฆ่าสัตว์เอต่อมาถ้าสมพานอ่อนเอสมพานไม่เข้มแข็งชาวบ้านก็บุกลุกเขามาตัดไม้เขาต้องการไม้อะไร เกือเขาเถาวันอะไรเขาจะมามาเอาของในวัดพอต่อมาท่าผสมพาโนเอนพพระวัดล้างว่างเขาจะแย่งชิงวัดบุกลุกเข้ามาน่ยมันจะเป็นขั้นตอนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็ถ้าว่าพระญาติโยมอยู่ต่างถิ่นเข้ามากําแพงก็กันได้อีกส่วนหนึ่งถ้าไม่ใช่นักเลงตรงนักเลียงโตนักขโมยจริงๆมันก็คงจะไม่เข้ามา เพราะว่ากำแพงกั้นอยู่เนี่ยเราเห็นว่ากำแพงนี่มีประโยชน์นะแต่การทำทั้งนี้ทั้งนั้นเราเราทำเนี่ยเพื่อพระพุทธศาสนาปกป้องป่าธรรมชาติเป็นสมบัติของแผ่นดินท่านว่านะแต่คนทั้งหลายเมื่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วคนทั้งหลายก็คงจะว่าทำไมเอากำแพงล้อมป่าทิ้งไว้เฉ ย, เฉย คนทั้งหลายเขาคงจะคิดอย่างนั้นทีแรกแต่เราไม่ได้คิดเพียงแค่นี้เราคิดมากกว่า น, นั้นไปอีกเราคิดว่าใช่ในยุคนี้เขาก็คงจะคิดว่าเอากาแพงมาล้อมวัดเฉยๆแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้ากาแพงกับคุณคุณค่าของภายในวัดมีต้นไม้บางมีธรรมชาติของวัดจะเทียบกันไม่ติด ราคาเทียบคุณค่าใส่กันแล้วกำแพงกับคุณค่าของในวัดธรรมชาติของในวัดนั้นจะเทียบกันไม่ติดนะเราคิดถึงขนาดนั้นนะเราจึงได้ให้ลงมือทำเอาเอาเธอนะ อ, ออกแบบเลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายยังไงก็มาพูดกับเราเนี่ยนี่แหละสาเหตุที่จะเกิดกำแพงขึ้นมาจากนั้นหลวงพ่อก็เลยหาบริษัททั้งสีห้าบริษัทมาลงในช่างรถไฟเอ ด็ตอร์เยี่ยมชายเป็นผู้ออกแบบให้เราเนี่ยกำแพงวัดเนี่ยจะไ้้ก็หาผูวรับเหมาก็เลยมาทำอย่างที่เห็นนี่แหละจะได้เมื่อล้อมรอบทะไดหมูป่าที่มาพูดถึงหมูป่าทีหมูป่ามันก็พอล้อมรอบหมูป่าก็อยู่ที่นี่เลยมันอยู่ที่นี่จะทำยังไงเลยกับผัในซอยก็บลุงพ่อก็ต้องมันก็กินมาหมดสมัยก่อนกล้วยปลาบ้างอต้นบอนบ้าง ผักบุ้งบางอยู่ในน้ําอยู่ในของที่มันจะกินได้พวกขาบังขาป่าบังขาเนี่ยนที่เป็นอาหารหมูป่ากินหมดเห็นไหมพวกเราเคยสังเกตไหมขนาดกล้วยเนะี่ยกินทั้งหัวมาเลยเนะ่กล้วยป่าไม่ใช่กินต้นนะกินโคลนมันกินเง่ามันแล้วมันหิวเอยพอหนุ่ยสือกับลุงพ่อทํำยังไงก็ลงทุนซื้อมันมาให้มันกินเอซื้อมันซื้อข้าวซื้อลําซื้ออะไรมาให้มันกินซื้อลักกงลักกอ เออมาเทลงให้มันกินบ้างแต่ไม่ใช่เลี้ยงอย่างอิ่มมีผีมันนะเลี้ยงคลายๆว่าพออยู่ได้พอให้มันอยู่ได้เพื่อไม่ให้มันหิวมากเกินไปท้องเขาท้องเราท่าเราหิวไปยังไงท้องหมูหิวก็คงจะทุกข์เหมือนกับเราหิวนั่นแหละเราก็เลี้ยงมันบ้างเอปีนี้ขึ้นมากันโอ้มันก็ไม่ใช่ธรรมดากิโลสองบาทกว่าเหมือนกันนะแต่ลุงพ่อก็ยังซื้อมาให้มันกินอยู่ะแล้วกับมันลำด้วย ซื้อลำซื้อแกบ ม, ม, มันผสมกันให้มันกินนี่แหละที่มได้มาพูดถึงความเป็นธรรมท่นนี้นะถ้าจะว่าไปแล้วมันมาอยู่ก่อนเราเพราะงั้นแหะเราเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจกว่ามาอยู่ที่หลังมันแต่ประชากรมันขายายผลขึ้ น, นเรื่อยเรื่อยเราก็กลัวมันท่านเลยเอายังไงฮเราจะได้คิดจับครั้งก่อนเมื่อปีสี่สามสี่สี่สีห้าสี่หกนะ ได้ร้อยกว่าตัวเอาไปปล่อยทุ่งกำลังจังหวัดชัยภูมนะิพอมาปีนี้ขึ้นมาอีกโอ้ไม่ไหวขายายพัน์อีกนะก็เลยทำพิธีการอีกจะจับใส่คอกใหญ่จับพิธีใหม่เหมือนนแต่จับคราวนี้รู้สึกว่าหมูไม่ช้ำนะที่พระพูดให้ฟังสองครั้งล้จับเมื่อคาวถือแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบแปดธันวาห้าศูนยะ์ได้หมูสามสิบหกตัวให้หมูสามสิบหกตัวไปป่ยไปปล่อยที่ผู้หลวง พอปล่อยตัวไหนก็วิ่งจุดเลยก็มีท่านนี่แหละทางท่านประลัดท่านผู้กํากับให้ลูกน้องมาดูท่านนายเพอก็ให้ลูกน้องมาดูแล้วก็มีป่าไม้ทางจังหวัดอุดรลังก์กับปศุสัตว์มาร่วมกันดูแล้วก็ปตุสัตว์ก็ฉีดยาฉีดยากันเชื้อไม่ให้ไปไปติดเชื้อที่อื่นแล้วก็ฉีดยานี่ยนะดูแลหมูให้เรียบร้อยแล้ะก่อนที่จะปล่อย เมื่อปีที่เมื่อครั้งที่แล้วเราเห็นพระท่านบอกว่าปล่อยกรงมาวิ่งจุดทุกตัวอลไรอย่างเงีแข็งแรงมากเหมือนกันคือหมูไม่ช้ำนะผลปล่อยกรงใหญ่จับกรงใหญ่พอเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกันได้หมูทั้งหมดเก้าตัวเหมือนกันตัวใหญ่ใหญ่มากๆเป็นร้อยกิโลกว่าห้าตัวพระท่านพูดให้ฟัง น, ะนอกนั้นก็หมูขนาดกลางๆเหมือนกันให้เข้าหมูรุ่นนี้เป็นหมูรุ่น รุ่นหัวหน้าเหมือนนจะทราจะว่าไปล่ะเวลาหมูหมูมันจะมาหมูหมูน้อยจะเข้ามาหมูนี่หมูนี่กันไว้นะเอไม่ให้มันเข้ามาเอาหมูพวกนั้นมันร้องเอ๊ะมันหิวอาหารเหมือนกันแต่ไม่กล้าเข้ามาพวกพวกนี้กันเอาไว้พอพวกนั้นหนีพวกนี้ก็เข้าเหมือนกันไอพวกาากันไอพวกทหารเนี่กันพวกพระก็เลยเอาพวกนี้ไปก่อนเหมือนกัเลยะดักพวกนี้ไปก่อนได้ก้าออกตัวมื่อคืนนี้พอไปปล่อย นี่แหละผูหลวงเนี่ยนะไปปล่อยกันมาแต่เช้ามืดเลยไปถึงที่นู่นจับออกไปเท่าไรสี่ทุ่มไปถึงที่นู่นกับ100กร้อยกว่ากิโลนะพระทันพูดให้ฟังจากนี้ไป100ร้อยกว่ากิโลเหมือนจากนี้ไปอุดรนนะขนาดเท่าๆกันไปปล่อยเสร็จแล้วก็กลับมานะทุกตัวก็แข็งแรงพระรายงานมาเมื่อกี้เนะี่ยบอกว่าปล่อยออกปล่อยกลงออกไปก็วิ่งจดุด ก็มีหมูตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งตัวใหญ่อ้วนเหมือนกันนะออพระท่านพูดให้ฟังนะตัวใหญ่อ้วนขนาดอยู่ในกรงก็ยังนอนเฉยอยู่นะเวลาไปถึงกรงเขาปล่อยออกมาก็ยังนอนอยู่งั้นอนกัเลยแสดงว่าหมูเนะี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ยังมันชอบนอนมันยังยอ น, นอนอีอย่างเก่านะขนาดเป็นหมูป่าไปจับใส่กรงแล้วจะไปปล่อยที่อื่นมันยังนอนเฉยอยู่เหมนนเล วันนั้นหลวงพ่อเลยมาบอกกับพระเลยพระนะไปอยู่ที่ใดให้ตื่นตัวนะแหมอย่าไป น, นอนเฉยหมูป่าเห็นไหมเน่ยขนาดเป็นหมูป่าแท้ๆเนี่ยขนาด จ, จะเอาไปปล่อยทิ้แท้ๆมันยังไป น, นอนเฉยเอาให้ไล่ออกจากกรงก็ยังจะไม่อยากจะออกอีกเนี่อันนี้เราเป็นพระป่านะครับเป็นพระป่ามันต้องตื่นตื่นตัวอยู่เสมอพยายาม นั่งภาวนาพยายามเดินยองกลมพยายามไขควรไตรตรองเหตุและผลในหลักธรรมวินัยไปอยู่นสถานที่ใดให้มองตัวเองอยู่เสมอให้เป็นผู้ฟิตอยู่เสมอให้เหมือนกับแม่เนื้อระวังงนายพรานการนอนก็ดีการอยู่การกินก็ดีต้องระมัดระวังให้เตรียมพร้อมจะไปเห็นแก่อยู่จะไปเห็นแก่กินจะไปเห็นแก่หลับแกนอนจะไปเห็นแก่พูดแก่คุย อันนั้นแปลว่าการลืมตัวของนักพจนักบวชไม่ดี พ, ดพระพุทธเจา้าบอกว่าไม่ดีทางที่ดีน่คือให้เป็นผู้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมด้วยศีลด้วยธรรมด้วยสมาธิด้วยปัญญาตื่นขึ้นมาพบให้มีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติในเมื่อมีคนมีสติแล้ว พิจารณาอะไรมันก็เห็นได้ชัดเจนเพราะคนมีสติอยู่กับตัวเองเอไม่ใช่ว่าคนแบบเค็มๆละเมอลวเมอแล้วไปเห็นอะไรก็ลืมหลงไหลไปหมด เ, เพอ้เอเพ้ยเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็ว่าเป็นสิ่งดีไปหมดเพราะเหอะไรเพราะว่าคนขาดสติถ้าคนมีสติเต็มที่แล้วจะมองเห็นได้ชัด เ, เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าภาวานามายปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตให้สงบซะก่อนทำจิตให้นิ่งซะก่อนแล้วนำจิตที่นิ่งนั้นมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาโลกทั้งโลกพิจารณาร่างกายของตนเองเนี่ยแหะมาพิจารณาร่างกายของตนเองคืออะไรร่างกายตั้งแต่หัวจนเท้าเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง ในร่างกายมีอะไรบ้างอะไรคือโครงสร้างโครงสร้างของร่างกายคืออะไรคือกระดูกกระดูกในร่างกายของเรามีอะไรมันเป็นแก่นสารไหมเอออีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราจะต้องแตกสลายนะสู่ดินน้ำลมไปที่พวกเราเห็นเห็นเน่ยคนเฒ่าคนแก่ปู่ยา่าตา ย, ยายของเราล้มหายตายจากไปมากต่อมากเพราะเหตุอะไรเพราะร่างกายนี่มันจะต้องแตกสลายเราเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นจริงอ่ในเมื่อร่างกายขนาด ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วสิ่งอื่นแล้วจะเป็นของเราได้อย่างไง เ, เลือกสวนไรนาเงินคําทรัพย์สมบัติสมบัติลูกหลานญาติผี่น้องสามีภรรยายศถาปันดาศักดิ์ทั้งหลายไม่ใช่ของเรานะขนาดร่างกายแท้ๆยังไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งมันนะ<ม>นี่นแหละคือปัญญาในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างนีน้ในเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้ว จิตใจของเราไม่กระเพิ่อมเลยทุกก็ไม่ทุกมากโลคก็ไม่โลคมากโกรธ ใ, ใครๆก็ไม่โกรธมากหลงอะไรก็จําไม่หลงมากเยนะียเพราะรู้เท่ารู้ทันเพราะรู้เท่ารู้ทันว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่ของเรานาเนี่นี่แหละอันนี้คือแนวความคิดของพุท ธ, ธะเพราะฉะนั้นพวกเรานํามาใช้สําหรับพวกเราเป็นชีวิตประจําวันหลวงพ่อว่าจะเป็นผลดีใจของเราจะไม่กระเพิ่อมจะไม่ทุกข์กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวง พอถึงสิ่งไหนเข้ามาเราก็พร้อมที่จะพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางได้ไม่ใช่ปล่อยวางแบบไม่มีปัญญานะให้เข้าสิ่งไหนควรจะปล่อยวางสิ่งไหนควรจะยึดสิ่งไหนควรจะดำเนินอย่างไรมันจะมีความพอดีสำหรับผู้ที่มีสติบางการ์มั น, น ม, มีสติอยู่แล้วสติกบปัญญามันมีพร้อมอยู่แล้วจะวางแผนจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรนะถ้าเรามีสติ จะเป็นลักษณะอย่างนั้น <c oughs> ไม่ใช่แบบหมูป่าไปที่ไหนก็นอนอยู่ในกรงก็นอนเขาหามไปไปปล่อยถึงที่แล้วก็ยังไปนอนอยู่ไม่ได้นะอย่างนั้นนะรับพ่อนนะทีนี้นะอนุโมทนาให้พอ